ขอนอบน้อมบูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถาวายความเคารพและขอโอกาสเพื่อนสาธมิตรจเจริญพรแม่ชีและญาติโยมทุกคนวันนี้อาตมาจะบรรยายธรรมเรื่องนิพพาน ซึ่งคิดว่าคงเป็นที่ปรารถนาของทุกคนเพราะสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้นั่นก็คือพระนิพพานนั่นเองพระนิพพานเป็นบรมธรรมคือถ้าเมื่อใครได้บรรลุแล้วจะพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้ และเป็นสิ่งที่สูงสุดในพระพุทธศาสนาและในพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีนิพพานก็ถือว่าไม่เป็นพระพุทธศาสนาครับเรื่องนิพพานนี้ความหมายนั้นก็คือภาวะของจิตที่ไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์ ไม่รู้สึกว่าเป็นสุขแต่เป็นจิตที่ปกติสงบเย็นนิ่งว่างเฉยอันนี้คือลักษณะหรือภาวะนิพพานคือลักษณะถ้าพูดง่ายๆแล้วคือจิตที่ไม่มีความรู้สึกว่าเป็นทุกข์ซึ่งถ้าโดยทั่วไปแล้ว จิตของคเราก็ไม่ได้เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาใน24ชั่วโมงไม่ได้เป็นทุกข์ตลอดเวลาบางเวลาก็เป็นสุขบางเวลาก็เป็นทุกข์แต่บางเวลาก็เป็นปกติคือนิพพานนั่นเองและอันนี้พระพุทธเจ้าก็ได้สอนเอาไว้ว่าเดิมจิตนั้นมีลักษณะเป็นปะพัดสอน คือไม่เป็นทุกข์นั่นเองแต่ที่เป็นทุกข์นั้นเพราะเนื่องจากว่ามีอุปักกิเลสจอเข้ามาแล้วก็อุปักกิเลสหรือว่ากิเลสนี้ที่จอเข้ามานี้ก็ไม่ใช่อยู่ตลอดไปมาอยู่ช่วงครั้งช่วคราวเท่านั้นมีการเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ก็ดับไปเหมือนกับสังขารอย่างอื่นเหมือนกันเมื่อ กิเลสออกไปจากจิตจิตกอบประพัสสรนตามเดิมับแล้วเรื่องจิตประพัสสอนนี้ธรรมชาติก็ให้มากับทุกชีวิตแล้วที่เกิดมาคือธรรมชาตินี้เมื่อใครเกิดมานี้ธรรมชาติให้ทั้งความทุกข์ความสุขและนิพพานมาในตัวเลย โดยที่ทุกคนไม่ต้องทําอะไรเพราะเป็นเรื่องธรรมชาติที่ให้มากับชีวิตแล้วครับทีนี้เราจะไปบัติอย่างไงเพื่อให้จิตของเรามีนิพพานเป็นอารมณ์นั้นเราก็จะเห็นว่าไ้ความทุกข์ที่เกิดกับจิตนั้นมันเป็นความคิดไม่ว่าเป็นความทุกข์ชนิดไหน จะเป็นความคิดทางนั้นเลยถ้าใครไม่คิดอะไรเลยอาตมารับรองว่าจิตไม่เป็นทุกข์แน่นอนหรือถ้าจะคิดคิดให้ถูกก็ไม่เป็นทุกข์เหมือนกันซึ่งตรงกับคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสเอาไว้ว่าสัมมาสังกัปปะคือความคิดความใฝ่ฝันความปรารถนาที่ถูกต้องถ้า คิดด้วยความถูกต้องแล้วคือคิดด้วยอวิชชาแล้วก็ไม่เป็นทุกข์เหมือนกันเพราะนั้นที่เป็นทุกข์กันอยู่เนื่องจากว่าคิดผิดคือคิดประกอบด้วยอวิชชาคือคิดชนิดที่ไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงนั่นเองกับนั้นเรื่องนิพพานที่จะพูดนี้จะพูดลักษณะของนิพพานชั่วคราวหรือนิพพานตัวอย่างนิพพานชุมลองก่อนแต่ รถของนิพพานชนิดนี้ก็เป็นรถเดียวกับนิพพานแท้หรือนิพพานถาวรรถเดียวกันคือรถที่ว่าจิตไม่เป็นทุกข์หรือจิตไม่มีลักษณะที่กิเลสมารบ ก, กวนจิตเช่นยกตัวอย่างเราไปที่ชายทะเลหรือแม่น้ำหรือป่าหรือในท้องทุ่งที่อากาศดีเงียบสงบ เมื่อนั้นจะสังเกตเห็นว่าจิตของเราก็เป็นปกติคือไม่สุขไม่ทุกข์แต่ว่าสงบปกติอยู่ซึ่งคิดว่าทุกท่านคงจะผ่านอันนี้มากันบ้างแล้วนั่นแนหะภาวะอย่างนั้นก็เรียกว่าภาวะจิตที่สัมผัสกับนิพพานหรืออยู่กับนิพพานครับหรือขณะที่เรานอนหลับนั่นนะถ้าเราไม่ฝันได้นะ หรือไม่ฝันดีลักษณะที่ตื่นเต้นอันนี้ก็จิตก็สัมผัสกับนิพพานแล้วเหมือนกันคือขณะที่นอนหลับจิตก็ไม่ได้เป็นทุกข์เหมือนกันแล้วก็วันหนึ่งหนึ่งถ้าคนเราโดยทั่วไปเนยฮะระหว่างมีความทุกข์กับที่ไม่มีความทุกข์ไม่มีความทุกข์จะมีมากกว่าถ้าโดยทั่วไปยกเว้นเชื่อแต่ว่าใครมีปัญหา มากอาจจะมีความทุกข์มากกว่าก็ได้แต่ถ้านอนหลับแล้วทุกคนก็เรียกว่าจิตสัมผัสกับนิพพานกันทุกคนกับจะพูดถึงเรื่องว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นก็คือเป็นความคิดที่ผิดทีนี้ถ้าเราต้องการอยากจะให้ไอความทุกข์ซึ่งเป็นความคิดนั้นดับมันก็ให้ มีสติไปเห็นจิตขณะที่คิดอยู่เป็นความทุกนั้นเมื่อมีความทุกเกิดขึ้นแล้วเรามีจิตหรือมีสติไปรู้ไปเห็นไอความคิดอันนั้นความทุกอันนั้นก็ดับอันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติเหมือนกันเพราะไอความทุกที่เป็นความคิดที่ผิดนั้นเป็นเรื่องที่ว่าจิตใจไม่ต้องการเหมือนกันแต่เป็นสิ่งที่ว่า จิตใจถ้าไม่ได้ฝึกหัดมาก็เอาไมา่อยู่เหมือนกันเมื่อเจอปัสสาเข้าไปแล้วก็ย่อมเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้ทีนี้เพื่อให้ความทุกข์นั้นดับเราก็ไปเห็นความคิดอันนี้ความคิดนั้นก็ดับเมื่อความคิดที่เป็นทุกข์ดับก็นิพพานก็ปรากฏมาแทนทีนี้มันอยู่ที่ว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วเราก็ต้องหัดให้มีสติ หรือใช้คาว่ารู้สึกตัวนั่นเองเมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นก็ให้สติเห็นไอ้ความทุกข์นี้อย่างรวดเร็วที่สุดความทุกข์มันก็จะได้ดับอันนี้คุณโยมก็เอาไปบัดดูว่าจริงหรือเปล่าที่อาตมาพูดนี้แต่ว่าถ้าเป็นความทุกข์ชนิดที่อารมณ์ที่มันแรงคือความทุกข์มันมากไปเห็น ปับมันก็ดับดับก็เกิดขึ้นมาอีกก็ดูมันอีกมันก็ต้องดับอีกเพราะความทุกข์เป็นลักษณะที่ว่าไปเห็นมันไม่ได้ล่ะถ้าเห็นแล้วมันต้องดับทีนี้การที่เราจะไม่ให้มีความทุกข์เกิดขึ้นกับเราเราก็ต้องพยายามให้มีสตินี่ดูจิตบ่อยๆดูจิตบ่อยๆเห็นจิตบ่อยๆ ตอ น, น, นแรกมันจะดูยากเห็นยากแต่ว่าถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆก็จะมีความชํานาญในการที่ว่าจะไปเห็นไอความคิดที่เป็นทุกข์อันนี้เรียกว่าเป็นการปฏิบททัติที่ง่ายมากมีความคิดที่เป็นทุกข์ปั๊บก็ไปเห็นพอไปเห็นปั๊บมันความคิดที่เป็นทุกข์มันต้องดับทีนี้ถ้าเราสามารถที่จะรักษาอย่างนี้ไปได้ยืดยาวนานออกไปเรื่อยๆ เท่ากับว่าวันหนึ่งๆเนี่ยแล้วต่อไปเมื่อถ้าเราเห็นอย่างนี้บ่อยๆไอ้ความทุกข์มันก็จะลดลงไปอัตโนมัติได้เหมือนกันทีนี้ก็ทําให้ว่าเรามีคือจิตที่ไม่เป็นทุกข์จะขยายยืดยาวออกไปจะยืดยาวออกไปยืดยาวออกไปแล้วก็จะมากยิ่งขึ้นแล้วสักวันหนึ่งก็จับ บรรลุนิพพานชนิดถาวนได้เหมือนกันครับแต่อันนี้เป็นเรื่องของนิพพานชั่วคราวทีนี้าการปฏิบัติเพื่อจะให้ได้นิพพานท้าววนแท้นั่นก็การไิบัติเราก็แน่นอนที่สุดนั่นคือต้องมีศีลเช่นถ้าระดับคารวะก็ต้องมีศีลห้าอันนี้จาเป็นมาก เพื่อจะได้จิตเป็นสมาธิได้ง่ายแล้วเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วจะได้ทำการวิปัสนาเพื่อให้เกิดปัญญาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงที่เราเป็นทุกข์กันนะเนื่องจากว่าเราไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงนั่นคือไม่รู้เห็นยังไงความเป็นจริงนั้นอะไรที่ไม่รู้เห็นหรือว่ารู้เห็นผิดนั่นคือเราไปยึดว่าชีวิตนี้ หรือกายกจิตเนี่ยหรือนา ม, มารูปนี้หรือว่าขันห้านี้เป็นเราหรือเป็นของเราซึ่งไอการยึดอย่างเนี้ยเป็นเรื่องของธรรมชาติอีกเหมือนกันเรียกว่าเป็นสัญชาตญาณของชีวิตที่เกิดมาแล้วจะต้องรู้สึกอย่างนี้เพราะทุกชีวิตต้องรักตัวกลัวตายการที่ธรรมชาติให้สั ญ, สญชาตญาณมาอย่างนี้ เพื่อเพื่อต้องการให้รักชีวิตและเพื่อต้องการจะให้มีชีวิตอยู่รอดแต่เนื่องจากว่าพอเมื่อเกิดมาแล้วยิ่งอยู่นานวันไอการรู้สึกว่ามีตัวตนของตนเนี่ยมันรุนแรงมากยิ่งขึ้นกลายจนเห็นว่าเห็นแก่ตัวไปซึ่งก็นำมาซึ่งความทุกข์ทีนี้ถ้าไปรู้เห็นตามความปจริงก็เห็นยังไงก็เห็นว่าชีวิตเนี่ย หรือว่ากายจิตเนี่ยนา ม, มารูปนี้หรือว่าขันห้านี้ที่เรียกว่าขันห้านี้มันไม่ได้เป็นเรามันไม่ได้เป็นของเราแล้วถามว่าแล้วเป็นของใครล่ะก็เป็นของธรรมชาติไปคือยกให้เป็นธรรมชาติไปกับทีนี้การที่เราจะให้เห็นว่าร่างกายจิตใจเนี่ยมันไม่เป็นเราหรือไม่เป็นของเราได้ยังไงนั่นก็เมื่อเรา มีจิตเป็นสมาธิแล้วเราก็ทาการทาการวิปัสสนาเพื่อให้เห็นว่าขันห้าเนี่ยมันไม่เที่ยงคือเป็นอนิจจังคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปในทุกตัวซึ่งถ้าขันห้านั้นพูดก็คือรูปนั่นเองคือกายมันไม่เที่ยงนั้นก็คงมองกันไม่ยากนะว่าร่างกายมันไม่เที่ยงยังไง เช่นมันต้องเกิดมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายมันต้องหิวมันต้องปวดมันต้องเมื่อยไปรักษะอย่างนั้นนั่นก็เรียกมันมีความไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงแต่ความเป็นทุกข์ก็ทำนองเดียวกันนั่นแหละคือทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้มันก็ต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องต้องตายไปเหมือนกันอันนั้นลักษณะของร่างกายของรูปและความไม่เป็นตัวตนของร่างกายก็เป็นยังไง ก็หมายถึงว่ามันคงอยู่สภาพเดิมไม่ได้บางบังคับบัญชามันไม่ได้หาตัวหาตนไม่ได้เลยซึ่งในทางธรรมก็ถือว่ามันเป็นอิทัพยาตาซึ่งอันนี้ถ้าพูดมันยาวคือมันเป็นแต่เหตุปัจจัยมาปรุงแต่งกันเท่านั้นหาความเป็นตั ว, ค ว, ตวความเป็นตนไม่ได้นั่นก็เท่ากับว่าร่างกายนี้ก็เป็นไตรลักษณ์ทีนี้เวทนาความรู้สึกว่าเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเฉยเฉยเราก็จะสังเกตเห็นว่า มันก็เกิดขึ้นและตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนกันมันก็เป็นตจลักษณ์สัญญาความสําคัญมั่นหมายจําได้หมายรู้ร ha, มันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสังขารความคิดก็เห็นชัดว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันก็เป็นตจลักวิญญาณที่ว่ารู้ทางตาหูจมูกรินกายใจมันก็เกิดขึ้นและตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็เป็นตจลักษณ์เหมือนกันและจากการปฏิบัติจริงๆแล้วเมื่อเราเข้าไปดูกันแล้วเราจะเห็นว่ามันไม่มีตัวเรา ในนั้นนะี่นะมันมีแต่ขันห้าจากการปฏิบัติกันทีนี้เมื่อขันห้าไปบัติเขาก็เห็นตัวของเขาว่าเมื่อมันเป็นแต่รักอย่างนี้เขาก็เขาก็ไม่ยึดถือกันนะ่พะพอไปยึดไม่ได้เพราะไม่มีตัวให้ยึดทีนี้เพื่อเมื่อไม่ไม่ยึดมันไอความทุกข์มันก็เกิดยากแล้วเพราะมันถือว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดกับกับเราแล้วทีนี้ แล้วก็ไม่ได้เกิดกับกายจิตด้วยเพราะกายจิตเขาก็รู้ว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นกายเขาไม่ได้เป็นจิตหรอกแต่เป็นสภาวธรรมมหนึ่งที่เราเรียกเป็นกายจิตอันนี้ก็ยังสมมติอยู่เหมือนกันเพื่อให้พูดกันให้รู้เรื่องแต่ถ้าเข้าเป็นสภาวธรรมจริงๆกันแล้วไอกายจิตก็เป็นธรรมชาติเป็นธาตุตามธรรมชาติอย่างหนึ่งเหมือนกันไม่ได้เป็นกายไม่ได้เป็นจิตแต่ที่พูดกันก็พูดกันให้รู้เรื่องการทานั้นเพื่อเป็นทางไ้นําไปไปถึง สิ่งที่เรียกว่าไม่ให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราหรือเป็นของเราหรือเป็นของกายเป็นของจิตอันนี้ถ้าเมื่อเกิดไปมีปัญญาเกิดเห็นขึ้นมาอย่างนี้ก็ถอนความยึดมั่นว่าเป็นเราหรือของเราออกไปได้ในระดับหนึ่งแล้วความทุกข์ก็จะลดลงอย่างมากเพราะความทุกข์ทั้งหมดมันสรุปรวบยอดอยู่ที่เราไปยึดมั่นถือมั่นว่ามันมีตัวเราหรือมีของเรานั่นเองทีนี้ ถ้าเราถอนความยึดมั่นอันนี้ออกได้หมดจนจิตรู้สึกใหม่ขึ้นมาว่ากายจิตเนี่ยไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นของเราและก็ไม่ได้เป็นของขันห้าด้วยถ้ารู้สึกขึ้นมาอย่างนี้จริงๆแต่การบัตรรทนะจะให้ได้ผลที่แท้จริงต้องให้จิตเกิดความรู้สึกอย่างนี้จริงๆนะนที่ไปบัตรทมกันไม่ค่อยได้ผลนั่นเพราะเนื่องจากว่ายังไปบัตรรมจิตยังไม่เปลี่ยนไปจากเดิม ยังรู้สึกยังเป็นเรายของเราอยู่เหมือนเดิมทีนี้พอไปผัดซากเกิดขึ้นมันก็ต้องโลภต้องโกรธต้องหลงเป็นธรรมดาการปฏิบัติก็ไม่มีอะไรไปฏิบัติตามที่อาจารย์ที่สอนกันอยู่นี่แหละแต่ให้ปฏิบัติกันให้มากปฏิกัติยาให้มากจนถึงจิตเคารพและเชื่อฟังไอ้ความไม่เที่ยงต่อสิ่งตั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันมาจากความไม่เที่ยงกับทั้งนั้นน่ะ ไม่ว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวโลกคนสัตว์พืชสิ่งของต่างๆที่เกิดขึ้นมาในโลกเนี้ก็มาจากความไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงมันก็มาเกิดมาตั้งอยู่แลก็ต้องดับไปในที่สุดทีนี้เมื่อเราเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งตั้งหลายทั้งปวงโดยเฉพาะขันห้าแล้วเนี่ยจิตเขาก็ต้องเขารับเชื่อฟังอันนี้เป็นธรรมดาของธรรมชาติของธรรมะที่ต้องเป็นไปอย่างนั้นเพราะจิตเองเขาก็ ไม่ต้องการมีความทุกข์เหมือนกันแต่ว่าถ้าไม่ไปบัตรธรรมเขาก็ไม่มีทางออกก็ต้องเคารพเรื่องความไม่เที่ยงแต่นี้เราก็เฉยได้มีอะไรเกิดขึ้นก็เฉยได้กรนีที่เห็นทุกข์มากๆากจิตก็ต้องเคารพเชื่อฟังในเรื่องของความเป็นทุกข์เพราะถ้าไม่เคารพเชื่อฟังในเรื่องรักษณะของความเป็นทุกข์จิตก็ต้องเป็นทุกข์ทนี้จิตเขาก็ไปรู้ไปเห็นแล้วว่าถ้าเขาเฉยไม่ทุกข์เขาก็ต้องเฉยมันเป็นไป โดยทําโดยอตัตมัติของเป็นไปอย่างนั้นโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเห็นไอ้ความที่มันไม่เป็นตัวตนเนี่ยสาคัญมากเราจะหลุดพ้นกันได้เพราะไปเห็นอนัตตากันนี่แหละหรือว่าเห็นสุญญตากันอันอ น, นี้คือเป็นหัวใจของการไปบัติเพราะถ้าไปเห็นแล้วมันไม่มีเราไม่มีของเราแล้วมีแต่ธรรมชาติล้ว น, วนที่เป็นไปอย่างนั้นมันก็พ้น จากการเกิดแก่เจ็บตายได้เพราะไม่มีเราไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายแล้วครับอันนี้ให้มีปัญญาเห็นว่าไม่มีตัวตัวเราหรือของเราโดยเห็นว่าขันหาเป็นใจลักทีนี้ยังมีวิธีการไปบัติที่แต่ถ้าวิธีประบัติแบบนี้พระพุทธเจ้าสอนมากที่สุดแล้วก็ที่รองลงมาคือสอนให้เห็นว่าชีวิตของคนเราประกอบด้วยธาตุซึ่งประกอบด้วยธาตุ คธาตุดินธาต้น้ําธาตุลมธาตุไฟอากาศธาตุวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุนั้นก็ก็คือธาตุจิตส่วนอากาศธาตุนั้นก็คือธาตุว่างเพื่อให้ธาตุดิ้นตั้งอยู่ทีนี้เมื่อเห็นว่าเป็นธาตุประทาตุนี้ก็คือเป็นเรื่องของธรรมชาติทั้งนั้นไม่ได้เป็นเราหรือเป็นไม่เป็นของเราซึ่งอันนี้ในบทส่วนของเราก็มีมากอยู่ว่าให้เห็นเป็นธาตุจนว่าจิตใจ พิจารณาทําการโยนิสมณิการดูแล้วว่ามันเป็นธาตุจริงๆริงทีนี้ถ้าจิตยอมรับว่าเป็นธาตุจริงๆจิตก็ก็ต้องปล่อยวางการยึดมั่นว่าเป็นเราหรือของเราเพราเห็นว่าันเป็นธาตุมันไม่ได้เป็นเราหรือไม่เป็นของเราอันนี้ด้วยการที่ว่าไปบัติธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นว่ากายจิตนี้หรือนามารูปนี้ชีวิตนี้เป็นธาตุตามธรรมชาติแล้วก็เห็นว่าไม่เป็นเราหรือไม่เป็นของเรา ครับและยังมีอีกวิธีหนึ่งอันนี้เป็นคำสอนที่สั้นมากแต่ว่าไม่มีการอธิบายรายละเอียดลงไปคือให้เห็นว่าชีวิตที่เกิดมาเนี่ยธรรมชาติเป็นผู้ให้เกิดมาไม่ใช่พ่อแม่หรือปู่ย่า ต, ตายายให้เกิดมาพรพ่อแม่ก็ธรรมชาติเป็นผู้ให้เกิดมาปู่ย่าตายายทวดบรรพบรุษหรือคนแรกที่เกิดมาในโล ก, กธรรมชาติเป็นผู้ให้เกิดมา ไม่ใช่ว่าคนนั้นเป็นผู้เกิดมาไม่ใช่ธรรมชาติเป็นผู้ให้ชีวิตที่เกิดมาที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะไม่เคารพบูชาพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายไม่ใช่เพราะถ้าคนยิ่งรู้ทามากยิ่งเท่าไหร่เรื่องศีลธรรมเรื่องเคาเรื่องความกระตัญญูเรื่องรู้พระคุณยิ่งเรื่องศีลธรรมจะยิ่งดีมากๆ ม, มากกว่ายิ่งคนทั่วไปโดชะไปเพราะรู้ว่าต้องทาหน้าที่กันอย่างไร แต่ที่พูดจากนี้เพื่อให้รู้เห็นตามความเป็นจริงว่าจริงๆแล้วที่เกิดมาเนี่ยธรรมชาติเป็นผู้ให้เกิดมาทีนี้ขอให้เราก็พิจารณาดูว่าจริงหรือเปล่าที่พูดอย่างนี้ไปทบทวนไปพิจารณาดูแล้วดูอีกดูแล้ ว, ลวอีกจะถึงจุดหนึ่งก็เรียกว่าปัญญาดิจาร์เพิ่มออกมาว่าชีวิตนี้ธรรมชาติเป็นผู้ให้เกิดมาจริงๆ และพอเมื่อเกิดมาแล้วก็มีกายกับจิตที่ทํางานการทํางานของกายของจิตนี่ยนะก็ธรรมชาติเป็นผู้ทําให้เองทั้งสิ้นเช่นการทํางานของหัวใจอย่างเนี้ยมีเราเข้าไปเกี่ยวข้องตรงไหนบ้างหรือเปล่าการทํางานของตับไตไส้พุงสมองหรือส่วนต่างๆของร่างกายแม้แต่เส้นซึ่งส่วนแรกของร่างกายก็ธรรมชาติเป็นผู้ทําเองทั้งนั้นไม่มีส่วนตรงไหนเลย ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องนี่ต้องเอาไปคิดต้องเอาไปพิจารณาต้องทบทวนดูแล้วดูอีกในที่ที่อากาศเงียบสงบโดยเฉพาะอย่างยิ่งทําสมาธิได้แล้วนั่งพิจารณาอย่างนี้เขาจะโยนิสโสมัจิการคือการคิดการดูการไม่ต้องคิดแล้วก็จะเกิดญาณเกิดปัญญาจิตก็เห็นว่าอา๋อละอาการทํางานของร่างกาย จิตใจเนี่ยเมื่อกี้จิตใจยังไม่ได้พูดให้ความคิดต่างๆนะที่เกิดความรู้สึกต่างๆความคิดต่างๆด้วยการรู้ต่างๆทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจอันนี้ธรรมชาติเป็นผู้ทําเองทั้งนั้นไม่ใช่เรานะไม่ใช่เราเนี่ยทั้งกายทั้งจิตธรรมชาติเป็นผู้ทําไม่ใช่เราทําได้สองอย่างแล้วทีนี้การที่มีชีวิตอยู่ได้เนี่ยก็อาศัยธรรมชาติทั้งนั้น เช่นปัจจัยเสคืออาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคแสงแดดแสงสว่างความร้อนผืนดินผืนน้ําต่างๆเนี่ยนะทุกอย่างเป็นเรื่องของธรรมชาติตัางนั้นไม่มีส่วนไหนที่เป็นของเราเลยในสามอย่างนี้ก็ครบแล้วนะธรรมชาติเป็นผู้ให้ชีวิตเรามาการทำมานของร่างกายจิตใจก็ธรรมชาติเป็นผู้ทำํำ แล้วก็มีชีวิตยอยู่ได้ก็อาศัยธรรมชาติทั้งนั้นไม่มีเราตรงไหนเลยที่เข้าไปเกี่ยวข้องเมื่อเห็นอย่างเนี้ยก็จะเกิดญาณเกิดปัญญาก็เห็นว่ามันไม่มีเราเพราะการบัตรธรรมเท่าเมื่อใดเกิดปัญญาให้รู้มันไม่มีเราแต่ความทุกข์มันก็จบอ่ะเพราะมันไม่มีเราที่จะไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายไปพบกับสิ่งที่ไม่รักไปตัดพลากจากสิ่งที่รักแล้วก็ ต้องการสิ่งใดแล้วไม่ได้ตามความปรารถนามันจะไม่มีสิ่งนี้เพราะมันไม่มีเราและที่ว่าเรียกว่าเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันเมื่อมันไม่มีคนเกิดมาแต่แรกแล้วถามว่าใครแก่ใครเจ็บใครตายอ่ะมันก็ไม่มีอีกอ่ะเพราะมันจะมีการเกิดแก่เจ็บตายได้มันต้องมีคนแต่ในทางธรรมะในชั้นหลุดพ้นกันแล้วเหนือโลกพ้นโลกพ้นทุกข์กันแล้วมันไม่มีคนมาตั้งแต่แรกและก็ไม่ต้องถามว่าคนแล้ว ตายแล้วไปเกิดเป็นอะไรไม่ต้องถามกันแล้วเพราะมันไม่มีคนมาตั้งแต่แรกแล้วอันนี้คําพวกพวกนี้เป็นคําที่ที่ว่าจากฟังกันไม่ค่อยมาพูดกันเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเมื่อมาศึกษาวิทยาธรรมก็ต้องรู้กันให้มันเกลี้ยงกันไปเลยมันจะได้พ้นทุกข์อยู่เหนือโลกอยู่เหนืทุกข์กันได้ จะได้ไปตรงกับคําสอนของหลวงพ่อกําเขียนที่ว่ามันไม่เป็นอะไรกับอะไรอย่างเนี้มันจะเป็นอะไรกับอะไรเพราะมันไม่มีใครจะไปเป็นอะไรแล้วอ่ะมันเข้าถึงสัสญญาตาคือความว่าง น, นั่นเองนะครับแล้วเกี่ยวกับเรื่องให้เห็นว่าเป็นธรรมชาติเนี่ยหลวงพ่อคำเขียนก็ก็ได้สอนเอาไว้ว่าซึ่งอันนี้ก็มีตัวหนังสือเขียนไอ้ที่ สาลาหน้านะที่มีไม้กระดานแล้วก็เขียนเนะที่มีสาระว่าธรรมะนี้คือธรรมชาติแท้ๆไม่ใช่อะไรธรรมะนี้คือตัวธรรมชาติแท้แทๆไม่ธรรมชาตินี้คือธรรมชาติธรรมชาติแท้ๆไม่ใช่อย่างอื่นเลยว่าอย่างนั้นเลยนะคือเป็นธรรมธรรมชาติอะ ทีนี้เราอาจจะบรรลุทำได้ด้วยการสังเกตรธรรมชาติเนี่ยดูพ่อทาเขียนได้สอนอวัยอย่างนั้นาจารย์นิอัตมาจาไม่ได้ทุกตัวอักษรแล้วนะว่าธรรมะนี่คือตัวธรรมชาติแท้ๆไม่นอกเหนือไปจากธรรมชาติเราอาจจะบรรลุทำได้ด้วยการสังเกตรธรรมชาตินี่แหละที่อาตมาพูดว่าให้เห็นเป็นธรรมชาติ แล้วเมื่อเรามาอยู่ที่วัดป่าสุก โ, โตเนี่ยก็เราจะได้สัมผัสหรือได้รู้เห็นกับธรรมชาติอย่างดีมากๆทั้งพืชทั้งสัตว์ทั้งคนทั้งอากาศทั้งทุกสิ่งทุกอย่างมันมีมากมายหลายชนิดเราก็จะเห็นแล้วจะเห็นอันนี้จะจิตเพราะคนเราก็กลักษณะของคนเราเรียกได้จิตมีปัญญาอยู่แล้วคือมีพุท ธ, ธะอยู่แล้ว เมื่อประจวบเหมาะโอกาสเหมาะก็จะรู้เห็นตามความเป็นจริงได้แล้วก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้กับเนี่ถ้าฟังแล้วคุณโยมก็ดูแล้วก็ไม่ไม่น่าจะยากอะไรเท่าไหร่นะโดยเฉพาะอย่างที่งให้เห็นว่าชีวิตที่เกิดมาธรรมชาติเป็นผู้ให้เกิดมาการทํามานของร่างกายจิตใจก็ธรรมชาติเป็นผู้ทําที่มีชีวิต อ, อยู่ได้ก็ธรรมชาติท่างนั้นตอนนั้นการเป็นไปต่างๆ ที่เห็นกันอยู่ออก็ถือว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติล้วนๆที่เป็นไปอย่างนั้นเองซึ่งอันนี้พระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้เป็นคําสอนเลยนะฮะสอนไว้ว่ามีแต่ธรรมชาติล้วนๆเท่านั้นแหละที่เป็นไปเป็นไปตามปัจจัยมีแต่ธรรมชาติล้วนๆเท่านั้นแหละที่ที่มีอยู่หรือเป็นไปเป็นไปตามปัจจัยอันนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้า แต่คําสอนนี้ไม่ได้อธิบายลงรายละเอียดเหมือนกับเรื่องขันห้าที่เป็นตรักคือสอนชั้นๆคําสอนชั้นๆัน้นของท้าวเจ้าก็มีอยู่มากเหมือนกันนะแล้วก็มีพูดที่บรรลุธรรมเช่นพ้าวเจ้าสอนพระพายะที่สอนว่าเมื่อตาเห็นรูปให้สักว่าเห็น เมื่อหูได้ยินเสียงให้สักแต่ว่าได้ยินเมื่อจมูกได้กลิ่นสักแต่ว่าดมเมื่อลิ้นได้รสสักแต่ว่าลิ้มเมื่อกายได้ถูกต้องสัมผัสก็สักแต่ว่าสัมผัสเมื่อจิตคิดนึกเรื่องอะไรก็ให้สักแต่ว่ารู้เมื่อเป็นอย่างนี้ตัวเธอจะไม่มีไม่ว่าโลกนี้หรือว่าโลกไหนหรือระหว่างโลกทั้งสอง เมื่อตัวเธอไม่มีนั่นแหละที่สุดแห่งทุกข์นี่แหละนั้นอาการที่จะถึงที่สุดแห่งทุกข์มันต้องตัวเธอต้องไม่มีนะนั่นก็เราคือตัวเราต้องไม่มีนอกจากตัวและตั้งใจด้วยก็ต้องไม่มีคือไม่มีเราเนี่ยสอนอย่างเนี้แล้วก็พระพายะก็บรรลุนิพพานต่อหน้าพระพุทธเจ้าเลยและพระพายยะถือว่าบรรลุ นิพพานเร็วที่สุดในบรรดาพระอาหารต์ทั้งหลายในสมัยพุทธกาลครับแล้วก็มีคำสอนอีกคำสอนหนึ่งสั้นๆเหมือนกันที่สอนพระโมกราช พ, พระพุทธเจ้าได้สอนไว้ว่าโมกราชเธอจงมีสติมองโลกให้เห็นเป็นของว่างทุกเมื่อและให้ถอนอัตตานุทิฏฐิเสียเมื่อนั้นมัจจุราชจะตามหาเธอไม่พบ คำว่ามัจจุราชนั้นคือความตายนั่นเองคือหมายถึงว่าถ้าเมื่อมีสติมองโลกคือมองสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะก็รวมถึงตัวเองด้วยเพราะตัวเองก็ก็ถือว่าก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกอยู่เหมือนกันให้เห็นเป็นของว่างคำว่าของว่างอย่างเนี้ยว่างอย่างไงคือว่างจากตัวว่างจากตนว่างจากคุณค่าว่างจากความหมายแห่งความมีตัวตนหรือของตน อให้เห็นโลกเป็นของว่างคือในโลกนี้มันมันมีเยอะแยะไปหมดเท่าที่เห็นกันอยู่แต่สิ่งที่มันไม่มีในสิ่งทั้งหลายนั้นคือความเป็นตัวตนหรือความเป็นของตนแล้วก็ให้ถอนอัตตานุทิศิเสียหมความว่าอย่างไงคือให้ถอนความรู้สึกว่าเป็นเป็นตัวตนออกไปเสียแล้วเมื่อ น, นั้นยมัจจุราชจะตามหาไม่เจอมัจจุราชก็คือความตายนั่นคือจะพ้นจากความตาย เนี่ยสอนชั้นๆแล้วก็พระ ม, มกฎราชก็ไปบัตรก็บรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วเหมือนกันซึ่งบางคนก็ไม่ต้องไปบัตรอะไรกันมากหรอกเพราะบางทีอาจจะมีปัญญามามากแล้วฟังคาสอนนิดหน่อยก็สามารถที่บรรลุธรรมในระดับชั้นโสดาบันก็ได้ซึ่งเราก็อย่าประมาทตัวเองอย่าคิดว่าไม่มีบุญไม่มีวาสนาไม่มีบารบมีมากพอหรือสมัยนี้ ผ่านพ้นมานานในสมเดพระเจ้าแล้วไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะคุณโยมนะนะอยากไปกีดกั้นตัวเองอันนี้สาคัญมากนะการดูแลทาเราต้องมั่นใจว่าเราทำได้นะอย่าคิดเราทำไม่ได้แม้จะมีอุปสรรคขัด ข, ขวางอยู่บ้างอันนี้เป็นเรื่องของธรรมดาแม้พระพุทธเจ้าเองพระองค์เป็นผู้ที่มีบารมีมากๆกนะกว่าจะบรรลุทาได้ท่านก็เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายนะ ก็เสี่ยงตายกันเลยนะถึงอยามันรู้ทำซึ่งเราถือว่าเป็นการสะดวกมากแล้วพระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้มากมายแล้วหลายๆคาสอนด้วยแล้วในสมัยพุทธกาลนะ่ะคนที่ได้ฟังคําสอนของพระเจ้ามากอย่างเรานี่ไม่มีพอะฟังคําสอนเป็นเรื่องเดียวเท่านั้นนะ่ะแล้วก็ไปบัตรกันแต่เราเนี่ยสามารถได้เรียกว่าได้รู้คําสอนว่าอย่าง น, นั้นนะนะทั้งหนังสือก็มีทั้งอาจารย์ก็มาบอกมาสอน เราแตในสมัยนี้สิ่งแวดล้อมต่างๆมันก็มันก็ไม่อื้อหนวยเหมือนสมัยพระเจ้าแต่เราก็ได้เปรียบกันด้วยว่าเรามีคําสอนอยู่เยอะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้คําสอนอันนี้ยหลายๆคําสอนว่าอย่างนั้นน่ะต้างเอาถ้าเปรียบคําสอนนี้เป็นยายาขนาดเดียวมันไม่พอเช่นเราปฏิบัติเรื่องขันห้าอย่างเดียวไม่พอเราเอาเรื่องเรื่องาธาตุเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเรื่องาธาตุไม่พอเอาเรื่องของธรรมชาติที่อาตมาพูด แต่นี่ยงอีกเรื่องไม่เรามาพูดคือเรื่องอายจตนะคล้ายๆกับขันห้านั่นแหละแต่เพียงแต่เปลี่ยนชื่อเป็นอายจตนะภายนอกภายในหเนี่ยเราเรียกว่ามีคําสอนมากเพราะฉะนั้นหลายๆคําสอนรวมกันก็สามารถทําได้แต่หัวใจของการไปบัตินั้นคือไปบัติให้ถูกวิธีนะคุณโยมนะแล้วก็ทําให้มากและทําให้ต่อเนื่องทําให้มากและทําให้ต่อเนื่องเพราะการบัตรทําเนี่ยสามารถ ปฏิบัติได้ตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งหลับไม่ใช่ว่าปฏิบัติเฉพาะอยู่ในอยู่ในวิธีของการปฏิบัติอยู่ในรูปแบบทุกอย่างทำได้ทั้งนั้นเพราะสามารถี่ดูกายเคลื่อนไหวก็ได้ทั้งหมดไม่ใช่ยกมืออย่างเดียวหรือเดินจกรมอย่างเดียวการเคลื่อนไหวอีริยาบถต่างๆก็สามารถจะดูได้หมดทุกเวลาแล้วก็จิตเหมือน ก, นกันก็ดูได้ทุกขนทุกแห่ง พราความคิดของจิตมันก็มีแต่สําคัญมากๆคือาการที่ให้มีสติเพื่อจะไปดูไอ้พวกนี้ตอนแรกก็ต้องตั้งหลักก็โดยการนี่แหละถ้าไปปฏิการนัทธาที่นี่ก็ตั้งหลักโดยการที่ว่ายกมือสิบสี่จังหวะ ก, กันก่อนเดินจงกรมก่อนเพื่อให้จิตได้ตั้งมั่นแล้วต่อไปก็จะได้ดูเรื่องกายเคลื่อนไหวดูจิตคิดนึกในเรื่องต่างๆได้ง่ายขึ้นซึ่ง ไม่ยากนะคุณโยมนะอย่าคิดว่าว่ายากไม่ยากแล้วก็คุ้มค่านะคุณโยมนะแล้วก็ความที่ไม่เป็นทุกข์นนะถือว่าสุดยอดเลยก็แล้วกันแหละไม่มีอะไรวิเศษดีที่สุดกว่ามีชีวิตอยู่ที่ไม่เป็นทุกข์ถึงแม้ว่าจะไม่บรรลุนิพพานแม้แต่ทุกข์น้อยๆยังก็ยังดีนะแล้วเราก็ประมาทไม่ได้ว่าชีวิตของคนเราเนี่ยจะมีอายุ ยืนยาวนานมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ประมาทมาอย่างคําสอนที่ว่าปัดชิมโอวาดของพระเจ้าอะว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ประมาทรีบทํำให้มันจบกิจเสียให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาแล้ว ด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และผลบุญผลกุศลผลธรรมที่เราได้ไปปิบัติกันมาแล้วได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งผลให้เราทุกคนได้บรรลุมรรคผลนิพพานในชาตินี้ด้วยกันทุกคนเทิน